การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนผมเหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เราไม่ทําตามแผนที่ตัวนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกมั น, นเช่นอย่งแปนบ้านแปนเมือนอะไรเป็นต้นทำตามนั้น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 ร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกําลังนั้นมีเรียกว่าไม่เข้าในแปลนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปลงที่ว่าให้พยายานทำกิดให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้ เรายังมีความรูต ป, ปีดย่อยลิงมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้เนี่ยนี่คือว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากีก่แปลนท่านกล่าวทำมาไวมากมาเพียงไรก็อกว้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลน ตึกรามบ้านช่องตั้งร้อยร้อยชั้นมากลางดางูมันก็เข้ากันไม่ได้แดนตึกกับแดนกระตับติด ก, กันแตวนี่เราจะรวมกิทั้งเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนลกกระตับน่ะพอมีกำลังแล้วขยายตัวไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจนารณาแล้วคว้างแคบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกกถานนี่ ถึงข่านจิตจะพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละมันจะได้หลักฐานพยานขึ้นมาภารกิจเกิดความรู้ความเห็นต่างๆจากการพิจนารณาของตนขึ้นมาแล้วจะได้เลือกเฟ้นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วหาธรรมะที่เราเรียนแล้วนั้นเข้ามาเทียบเคียงในเหตุในผลนะ้จนกระทั่งเป็นที่ลงกันแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยได้ทั้งๆที่เราเข้าใจชัดเจนยังต้องหา หลักฐานเข้ามาอีกทีเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบขำไมมาเทียบอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พออย่างยิ่งการปฏิบัตินังคิดว่าสัตย์จะทำก็ดีสติปัฏฐานสีก็ดีท่านพูดเกี่ยวโยงกันไป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 ระว่างเวทนากับกายให้เข้าใจากันชัดเจนแล้วแยกระหว่างเวทนาของกายกับเวทนาของจิตเทียบเทียงกันอยู่แยกส่วนแบ่งส่วนกันซึ่งเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันนั้นแหละแยกกายนั่นเรียกว่าพิจารณากายเอาแยกเวทนาให้ทราบว่าเวทนากับกายเป็นเดียวกันหรือไม่เนี่ยแยกจิตแยกอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตนั้นให้มันเห็นชัดเจนมาแต่และอย่างละอย่างไม่ใช่ันเดียวกันนี่ กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วลงสติปัฏฐานสี่เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบัา ท, ทําทีละเรื่องละรายแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้นท่านะพิจารณากายะกายเิกา ย, ก า, ยาสีวหะติอันนี้เป็นต้นยินนากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน เป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความซูมทราบตัปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็อ ก, กระกจายกันไปกันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช็นทันหักเจสาเจส า, าอย่างนี้คนระับโกลมานจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปอว่ากี่ส่วนกี่อันมัน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 มันเป็นภารกิจเองอันนี้ก็เป็นอาทุกรรมสุขาวเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อกิจมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบพอทราบเป็นลํำ ด, ำ ด, ำ ด, ำ ด, ำดำับๆตามกําลังของปัญญาของสติของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของกิจ เอาพูดมันเป็มเม็ดเต็มหน่วงเสียจิตนี้เป็นภาชนะสําหรับรับรองหรือเป็นม้านั่ ง, งเขานั่นเองเพราะมานั่งตรงนั้นแหละหรือเป็นซ่วมก็ได้ถ่ายลดลงนั้นมมดแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเอดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวทุกคมาสุกเนธนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมน้เขาถ่ายอยู่นั่และเพราะมีสติปัญญาที่จะ สลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่มามาถาักแต่ท่านจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสําคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกไประสมไหนที่นายสติตามเนี่ยไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติมีอยู่ไม่เป็นสัญญาพเพราะเพลิสติเป็นสัญญาไปตามกําลังของจิตที่เพิ่งเพิ่งหัก พ้นข้อใหม่ๆแต่เมื่อมีความ ช, นชำนิชานาญทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนนะเวลาที่จุดเถลอน่ะคือมันไม่มีเวลาเผลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนท่านอยู่ที่นี่น่ะคือความราู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันผ่านในจิต ด, ดวเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วท่านะจะเผลอไปที่ไหนนั่นเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้น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 รู้โดยตนเองนั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรืผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบตัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถานที่จะพูดออกมาอาถานอยู่ภายในจิตไม่จะทกทานว่าจะพูดผิดหรืออะไรอะไรก็ตามไม่จะทกทคานเพราะเป็นความแน่แน่ภายในใจิตใจการที่จะเบิก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 ว่าจิตมันไปคว้าะอะไรยลายมาจากภายนอกแล้วก็มากลุ้มกลุ้มภายนจิตใจนี่อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิจพิจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองไปเที่ยว้านเอามามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สังสมสติสังสมปัญญาขึ้นให้มา อันที่สอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสมะกันนังเสโยนี่ก็คือปัญญาค่าควรจะก่อนจะทําอะไรผลิตไอส่วนที่จิตทั่เราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ค่ควรแม้จะไม่ได้ค่ควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความดือดร้อนแล้วนั่นก็นยังดีค่ายครวรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับจิตนั้นนั้นได้นี่ เอยาา่าคาดอย่าหมายการปฏิบัติธรรมถ้าหวั่นอยู่ที่ไหนจะไปคาดธรรมโลกอยู่ที่ไหนจะไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพ า, านอยู่ที่ไหนจะไปคาดทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยทยี่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมรรคที่ไหนอยาา่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากกายกราับิซึ่งสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลานี้เอาองค์นี้เพื่อให้เห็นความจริงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้วยิ่งจะเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง ในบรรดาที่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายตามความวิสยัยและสามารถของเราโดยที่เราไม่คาดในหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในไม่ยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้จะสิ่งภายนอกนี่ก็อควรรุ่งทำความยุ่งเรือให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชอะไรอาถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรกคืออะไรเอานี้ก่อนอถ้าอยากจะรู้นรกก็รู้สิ ความทุกข์ที่เกิดกมันก่อปวยขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลําดับลํำดับๆๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเราต่อให้นรกไฟนรกเผาทุ่ทั้งวันนะคืนยังไม่ทราบนารกเราจะตหาหนารกทีไหนอีกนี่ให้เรายน่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองเนี่ยไม่ต้องมีใครมาบอกแสวรรค์นั่นก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรม ที่มีอยู่ภายใจิตใจสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตที่บอกอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงผู้นี้ให้ดีให้ถูกต้องไม่คิดนอกหอนไปจากนี้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งให้ค้นคว้า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 คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะม่มีปัญญาจะไม่ไช่พอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องรา่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาลูกปุงลูกมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปุงกระยุ่งกันนันเจ็บนั่นปวดนี้กลัวล้มกลัวตายกลัวแทะกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็นกลัวอยู่วันยังค่ำถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไร มีอะไรตายในโลกนี้เนยะความแปลก็ทราบอยู่แล้วถ้าทำท่านก็อสอนไว้แล้วอ่ะอันนี้จังมันแปลสภาพตลอดเวลาทุกครั้งมันทุกที่ไหนทำไมทุกที่นี่หนะ้าตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่สารที่ไหนก็บอกคือทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตนความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องกิเลสอันนั้นมาเป็นตนก็เป็นกิเลสต่ ว, ว่าไง ถ้ายิงมันเป็นต้นขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยเด้วเพียแต่และอย่างละอย่างรมงวมมันเค้ากี่ภูเขาก็ไม่รู้ห็นต้องพิจารณาให้ชัดเหตุทันาเนี่ยกับพวกนี้พวกคือเป็นข้าศิกตอนเรากม็มีอะไรก็มีทุกขเวนทนาเป็นขึ้นทานในจิตบ้างโดยลําพังไม่ต้องกายปกติอุปตามันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดในทางที่จะ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 โดยปกติสัญญาเป็นผู้สําคัญมากถ้าทุกเกิดขึ้นทุกก็สําคัญแต่ทุกไม่เกิดอยู่ทุกเวลา ส, ส่วนสัญญาในมันหมายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ผู้สํญญาคัญมากละเอียดมากแต่ น, นี้บันจงด้วยมันน่าหลงจึงได้หลงสขายนุ่พุกยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่ขายไปไปใหญ่และประการที่สองกัวิญญาณเป็นผู้รับชาบเข้ามา ผู้นี้ก็มาคขี้คายเจ้าสัญญาและทำงานให่โตเที่ยบวุ่นไปหมดภัยในร่างกายอย่านี้แหละเป็นเครื่องปิดใจใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบงังมีสิ่งบังคาบอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็น อุบายแยกพายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบังคับจึงต้องได้บังคับกิตทีหนึ่งให้พิจรารณาถอนตัวออกมาพิจรารณาแล้วความสําคัญมันหมายต่างๆนี้ก็จะค่อยๆติดเบิดหรือถอนลงไปถอนลงไปโดย่อยดับสติปัญญาจะเนมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกพินิพิจรารณาแล้วปิดไม่อยู่ มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแน่ทุกมุมเข้าใจไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมีความเพิ่มเพิ่มต่อการค้นการคิดมีความเพิ่มเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นไปเพียงว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จิดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายปูนง่ายหรือเป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในคั้นสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทํางานในแง่ต่างๆ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 มันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเชี่ยงแน่นหนามันคงยิ่งเหรอจิตของเราก็เป็นจิตที่แน่นหนามันคงยิ่งกวเวทนานี้ทําไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้อืเวทนานี้มันเกิดขึ้นช่วงระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตของเรานี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทั้งทั้งจิตทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิดน้อยมันก็รู้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 อะไรเวทนาอะไรจะเกิดขึ้นมาแทนที่ข็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆ น, นี่จึงควรนักนะพิจารณาเราจะไปถืออเวทนาจะเป็นสุก็าตามทุกก็าตามเฉยเฉยก็าตามให้ทราบว่าเป็นเมตนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากหยุจึงเป็นของที่แเปลี่ยนแป ล, ง, ป ล, ง, ปลงไปได้อนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของของเวทนาเพราะมันมีเชื่อไปจากหิุมันจึงสแสดงเวทนาทั้งสามนี้ขึ้นมาได้ ถ้าว่าจิตหมดเชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรามังสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมาชาติที่อยู่กับมีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มานั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนวาส่หรับนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดับมีการการกำหนดพิจารณเวทนาให้กำหนดอย่างนั้นเอาเวทนานั่นแหละเป็นสนามรก กำหนดดอ้าวดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือไม่หายไม่สําคัญสําคัญที่เราทราบความจริงของเวทนาตัว น, วนี้ตัวที่ปรากฏอยู่เวลานี้นานส่วนมากกวมหมายถึงทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดลงมากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ในลำดับกำลังเพราะสุขเวทนาเป็น เป็นสเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อกําำําจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามาเป็นช่วยเ ห, หรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสุขขึ้นมามีเป็นคนอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกอีส่วนที่เราจะกําจัดสุขเวทนาเรืยกงไม่กจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้กาจัดนเมื่อถึง สำคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสาคัญมากภ า, านจิตมันเกิดจากเชือ้อเกลเลตเมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางไระดนดําดับทุกขเวทนาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกขเวทนาก็ค่อยดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดทุกขเวทนาแบบนี้ก็หมดเนี่ยมันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั้นต่างหากนี่ พท่านจึงว่าสุขเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิตจากความสงบของจิตจากความบาสบยของจิตนี้มันเป็นทำหรือวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครืองใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนา น, นั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขนี้หรือพิจารณาก่อ ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนา น, น, นั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนางที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ว่าทุกข์ให้กําหนดรู้นั่นแกสุขทำไมไม่กำหนดรู้ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็นไม่ว่าเพราะ น, นี้มันเกิดขึ้นจากอันอันนั้นถลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนมาแทนมาแทนพี่พอเชื่อของทุกเรา ที่เป็นส่วนที่เละนะมันดับไปสุกอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุกอันอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตนั่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่นะี่เป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะให้สงบให้สงบจิตเราจะไปเสียดายกับกา ร, ก, ก, ารกับงานที่เราเคย่ิจนนานณามาต้องมีการพักการถอนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติจาก ก, ก, การพิจารณาก็ตาม มันก็มีอ่อนเพลียวได้เหมือนกันการทํางานคือความคิดความปรุงทางด้านตัญญาด้านไหนก็ตามการก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทําให้อ่อนเพรียได้เราต้องพักเมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานใดๆทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทาหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเยียบนี่คือว่าทํางานได้ก้าวไกายกันและไม่ห่วงหน้าหองหลังไม่เป็นหน้าหลายบาทมันก็มีกําลังแรง เมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำที่จะทําิดให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียตอนนั้นพอสงบมีกําลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นเนี้ยเอาค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีหน้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลําดับจนเข้าใจโดยลำํำดับลํำดับลำดับ น, นี่ชื่อว่าเป็นการเดินเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่ําเสมอเป็นทางเดิมอย่างนี้ มีเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดที่จนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณากับเพลินจนลืมเลือล้อลืมตัวไม่พักผ่อนอย่อนติดมั่งเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทาหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลาดับลาดับ อัันนนี้เหมมาะสงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสหรืองานถอดถอนตนออกจากวัฏฏะคือความหมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่ภบ ก, กี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความหมุนเวียนเกิดตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุไปทั้งนั้นไม่ว่าพบใดชาติใดก็ตาม เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเรื่องของทุกต้องมีด้วยกันพอมีกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ชาติโลกต้องมีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแสงเลยให้มีแต่เนื้อรุอ่นล้วนจะให้มีกล้างจะให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อท่าต่อขันรประเภทใดก็ทาลอกปอกให้หมดให้มีเหลือเลย มันจึงเนียวกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกําลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตฮิวารลงไปกองในบางกลางเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะาจิตมันเป็นกําลังของจิตเองหมูยิ้วที่ลงไปพ่อแดนแห่งความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเอื้อมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีตันเข้ามาตีดันเข้ามาเห็นโทษเห็นภายเข้ามาแล้วก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเดียว อยู่ไหนไม่อยากอยู่ข้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเฉยไม่ล่ำม่ัฐนะเพื่อความพ้นทุกต้องให้ถึงความพ้นทุกโดยถ่ายเยเท่านั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความที่เจ็ยึดครั้างอ่อนแรมาจากไหนหนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มั่นสุริสายหรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่ากรงกงจักรั่งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเป็น หมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่าสายส่งเอารู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกพอแล้วจะหากวาหมาที่ไหนอี ก, กรู้ตั ว, ตวเองทั้งนั้นทเดีวนี่กว่างานใหญ่ใหญ่ก็เถอะผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิดโลกประมังสุขขังจะไม่เรียกว่าเลิดโลกได้อย่างไร พระพุทธเจ้าเลิกโลกได้เพราะอันนี้เองชาวกอราหาันหันเราที่นับถือท่านพุทธังธรรมสร้ า, สางสร้างกระชามิด้วนแล้วตั้งแต่ท่านเลิกทางา น, นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปหายยิบยกอ ก, ก, กอะไราหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินเพื่อแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสังสมกิเลสนั้นง่ายเพราะความชอบใจ มันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากแล้วกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่า ง, งานลแล้วแต่สําคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นจะเห็นว่าเป็นของง่ายของเบาของสบายแต่เสียงานแก้กี่เลือแต่ก่อนเวลาเราบําเพ็ญที่แรกมันไม่ไนในหน้าในหลังอะไรทั้งๆที่เรามุ่งเจตนาจะแก้ที่เหลือแต่มันก็นหนักมันขี้เกียดอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมอย่นั้นหมดคือว่าความไม่เป็นท่าเนี่พอเวลามันรู้เหตุรู้ผลเข้าเข้าใจในอนในธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับๆแล้วความขี้เกียดมันหายไปทั้งหมดล่ะ นันก็มีเรื่องจากความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้น่ะเพราะมันเห็นผลท่อนทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลําดับนี่ยแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์สถาโคดเราจะได้ถอยลังไหนเพราะสถาโค ก, ก็เคยผ่านป่าท่ามาเส้นเยวกับพวกเราจรึงเห็นภัยในเรื่องป่าท่าความเปิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบบทุกทั้งนั้น ครูที่อาารย์สอนเลยแล้วเราเป็นลูกศิษยาา์นะครูก็ต้องเดินตามครูผู้พากลําบากก็ลาบากครูเราสลบสไลท์ถึงสองครั้งสามครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสไลท์ด้วยความเพียนไม่มีเนี่ยแล้วทําไมกลัวตายแล้วจะมาสลบเลยแล้วกลัวตายได้ยังไงเพราะไอ้าขนาดถึงสามมณีสี่หน่วงเลยสลบทพวกไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทําไมกลัวตายนะอะไรมันตายี่หน้นะาคนไม่เห็นความจริงแล้วมันทํำไ้กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกนี้เฮียแต่จิตท่ามันต้มขัญมันหมามันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวาตาย เมื่อพูดถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัวเกิดก็ไม่กลัวเพราะมันต้อมีอะไรจะเกิดแหนจะกลัวมันอะไรกลัวไม่มีลมกลัวลงกลัวแล้งกลัวาธมะเหตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดเขาจะไปกลัวความเกิดเทไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหยุ่นเป็นทายมันหมดชั่วแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวมันไม่มีอะไรจากข้ามันเสมอตัวคือสม่ําเสมอโดยลำดับมันแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาเหมือนใโลก เสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความเลือกิสิทธิ์ของจิตพูดถึงเรื่งภาระหนักอย่างนีนะ้แต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรุ่นเริงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคึกเลิศสม ก, กันกับความยุ่งยากลําบากลําบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเนื้อของจิตที่พิเรเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอก เขาจะยังต้องการของดียิ่งทำเราสมัยยาจะไม่ต้องการของดีเเล่นเข้าไปปา่าช้าหนึ่งร้องไห้กับเราเป็นไรนี่เรามันร้องไห้กับปา่ปชาช้าป่าช้าร้องร้องไห้ตามเราเป็นไร ห, หมดหลังแล้วที่นี่อออาอย่างนั้นความเกิดตายไม่ใช่ของดีมุนไปมุนมามีความทุกข์ความลําบากแไปทุกภพทุกชาติ ทีนะ่นาแก้ไขอขอกาทำมันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในใจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชียนหนามต่อจิตใจสติปัญญาอย่างลงไปค้นคว้ลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่นี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความยาุติธรรไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไม้มนะฮะรู้ทันถืออยู่ไหนก็ดู่ทิ้น ท่นานเุตสิตังประมาจาริยังกระตังกรณิยังนั่งนะก็จักสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากอันเป็นเรื่องของกิเลสพอกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีเท่านั้นอันนี้รู้สึกเหเนื่อย่ะแล้นแ้อ่ะ